อริยมักหมวดศีลคือมักข้อที่สถึงหได้แก่สัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรมมตตะกระทาชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่15องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่สองหมวดศีล สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 55. ห5หัวข้อสำคัญภายในประกอบด้วยความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องศีลในพุทธศาสนาลักษณะของศีลหรือหลักความประพฤติเบื้องต้นแบบเทวนิยมและแบบสภาวะนิยมศีลในระดับที่เป็นธรรมกับศีลในระดับที่เป็นวินัยศีลพื้นฐานสาหรับประชาชน ศีลเพื่อส่งเสริมความดีงามขีหิวินยัยวินัยของคฤรือหัดและสังฆะวัตถุสีศีลกับเบญจธรรมคือความดีห้าอย่างที่ควรประพฤติควบคู่ไปกับการรักษาศีลประโยชน์ของศีลผลแห่งการละเมิดศีล อ, องค์ประกอบแห่งการตัดศีลว่าอย่างไรจึงถือว่าผิดศีลหลักวินิจฉัยการผิดศีลว่ามีโทษมากหรือน้อยต่างกันแต่ละกรณีอย่างไร หลักทั่วไปของสมาอาชีวะเศรษฐกิจกับศีลหลักที่ถูกต้องในการสแสวงหาการรักษาการใช้จ่ายทรัพย์ความสุขอันชอบธรรมของเขารืหัดควรมีปัญญากับการหาทรัพย์การเลี้ยงชีพที่ถูกต้องของพระสงฆ์อริยวงศีรประการและศีลของพระภิกษุที่จัดเป็นศีประเภทที่เรียกว่าปาริสุทธทิศีลปิดท้ายด้วย ข้อปฏิบัติที่ควรเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับโภคทัพย์ทั้งในแง่บุคคลสังคมรัฐและเศรษฐกิจการเมืองอ่านโดยอริยคุณจุมรงพลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัต์สุเมศคุ้มวงปวีพาพรนิทิชโชคสิทธิ์เจ้าภาพรองทัชจวดีพมาราณ น, นจันทนาสระสืบกุล ร่วมกับครอบครัวสีโพคาครอบครัวเมคาวันยานินเวงเกตนราวดีอนันทคุณทิติยาวัฒนานิมิตกุลร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง